ก็นั่งพับเพียบทอดตาแล่พระปฏิมานิ่งดุดเห็นองค์พระมีจิตวิญญาณประทานความเมตตาเล็งเนตรมาย่งอุบาสกสาวกอีกคนหนึ่งประทานความเมตตาเล็งเนตรมายังอุบาสกสาวกอีกคนหนึ่งของพระองค์ด้วยพระไทยอาธรนานครู่หนึ่งสัมผัสของเขาบอกตัวเองว่ามีกระแสจ้องมองมาจากเยื้องขวาด้านหลังพอเหลียวหน้ามองไปก็สะดุ้งเล็กน้อย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 เรียกว่าทำกรรมเดียวให้ผลหลายประการครบสูตรและที่ใจนุตติเตียนยังไม่เป็นธรรมไว้นั้นก็ไม่ใช่แค่อริยะธรรมดาแต่เป็นถึงมหาอริยะเป็นจอมอรหันต์เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ถ้าเป็นพวกบาปหนาะก็จะไม่รู้สึกสะทกสะเทือนอะไรเลยโอกาสสานึกจึงยากและไม่เชื่อว่าที่กำลังประสบเคราะห์ทั้งภายนอกภายใน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 ก้มหน้าสลดก็พอกวางสมนึกผิดเนี่ยกวางก็พยายามหาหนังสือท ร, รมามาอ่านเหมือนกันแหละอ่านตั้งแต่ประวัติความเป็นมาก่อนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชและได้กลับมาโปรดพระปยุรญาตรวมทั้งพระชายาก็รู้สึกแล้วว่าพระองค์ท่านมีพระทัยเมตตามหาหาศาลแค่ไหนรบชนะพยักหน้าพูดแบบไม่ให้อีกฝ่ายเสียขวัญและมองเป็นเรื่องที่แก้ไขง่ายเหล้วล่ก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 ใจนุษยิ้มด้วยสีหน้าว่งบอกว่าเข้าใจกระจ่างรบชนะพลอยปลาบปลื้มที่ช่วยให้หล่อนพ้นจากนรกทางใจเสดได้ในเวลาอันสัน้นถ้าวิธีคิดต่างไปชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะต่างไปแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตตั้งแต่เกิดมาของทุกคนผิดหมดนึกว่าทาเพื่อตัวเองแล้วจะยิ่งเป็นสุขแต่แท้ที่จริงเป็นที่มาของความตรณีความแ้งน้าใจอันเป็นฝ่ายทุกทั้งสิ้น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 คือความสว่างสวัยอบอุ่นยิ่งยิ่งขึ้นกุศลต่อกุศลคือมหากุศลที่ยัางให้โลกร่มเย็นเป็นสุขใจนุชใช้เวลาเป็นสามเท่าของรบชนะคือเกือบสองปีกำลังใจจึงแก่กล้าพอจะสลับทิฐิว่าขันห้าเป็นตัวตนแต่นั่นก็คุ้มเหลือจะคุ้มต่อให้ต้องใช้เวลาเจ็ดปีก็คุ้มในเมื่อเดินตามทางตรงแล้ว สุดท้ายต้องได้ผลวันอย่างค่ำ